เร่งเร่งอบรมพระเนนคงจะเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านพระอาจารย์หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงสภาพแวดล้อมเอื้ออานวยปัจจัยที่เป็นเครื่องดำรงชีพสะดวกสบายปัจจัยสีพ่พอเพียงจิตใจของประชาชนไม่สับสนวุ่นวายสรรพสินค้าเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม หลังไหลเข้าสู่ตลาดการค้าทั้งของไทยและของต่างประเทศท่านพระอาจารย์ถือเอาจังหวะนี้เร่งรัดอบรมสั่งสอนศิลธรรมสมถวิปัสนาแก่พระสงฆ์และประชาชนผลทางยังกันดานอยู่เดินทางด้วยเท้าเปล่าข้ามเขาเป็นเรื่องสนุกของชาวกรุงเทพไปแล้วทั้งหญิงและชายจากกรุงเทพจันทบุรีชัยนาธสระบุรีเชียงใหม่ เข้าไปถวายทานกราบในมัศการเป็นระยะเป็นหมู่เป็นคณะตั้งแต่ออกพรรษาตลอดฤ ด, ดูหนาวสี่เดือนทั้งใกล้ไกลท่านพระอาจารย์ต้องทากิจประจำห้าประการให้มากยิ่งขึ้นตอนเช้าเที่ยวบินทบาทตอนบา่ายเทศนาสั่งสอนประชาชนปลคบขำให้โอวาดแก่พระสงฆ์เกือบจะไม่มีวันเว้น อีกสองอย่างเป็นเรื่องภายในส่วนตัวของท่านผู้เล่าไม่สามารถนำมาเล่าได้พระเทราฝ่ายบริหารทั้งเป็นเพื่อนเก่าและใหม่ได้เดินทางข้ามเขาไปกราบในมัสการหลายรูปเท่าที่จำได้เพื่อนเก่ามีเจ้าคุณปราจีนเจ้าคุณสิงบุรีเจ้าคุณลบบุรีอ่ำเจ้าคุณใหม่มีเจ้าคุณรักหนองคาย เจ้าคุณมึงเลยเจ้าคุณพระมหาโชติสุรินเจ้าคุณเขียนนครราชสีมามาเหตุผู้อ่านในที่นี้ขอยกพุทธกิจห้าประการมาเปรียบเทียบซึ่งผู้บันทึกเสียงเองไม่ยืนยันว่าจะเหมือนกันหรือไม่ แต่เนื้อหาในบทต้นๆก็มีกล่าวถึงไว้ส่วนหนึ่งแล้วกับการแสดงธรรมให้กับเทวดาในหนังสือเล่มอื่นก็มีกล่าวถึงนะครับพุทธกิจหประการของพระพุทธเจ้าคือในเวลาเช้าสเสด็จบิณฑบาตในเวลาเย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนาเวลาค่ำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุเวลาเที่ยงคืนทรงพยากรปัญหาแก่เทวดา และเวลาใกล้รุง่งทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้ที่พระองค์จะโปรดได้